กิจของตนพระพุทธภาษิตนาปรเรสังวิโลโมาณินปรเรสังกะตากะตันอัตโนะอเวเกเฮยยะกะตานิอกตานิจับุคคลไม่ควรใส่ใจในคําหยาของคนอื่นไม่ควรเพ่งเล็งกิจที่ทําแล้วหรือยังไม่ได้ทําของคนอื่นแต่ควรพิจารณาถึงกิจที่ทําแล้วหรือยังไม่ได้ทําของตนดีกว่าอธิบายความพระอัฏฐกถาาจารย์อธิบายว่า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 ได้ทําสมบูรณ์แล้วหรือไม่หน้าที่ของเราสําคัญข้อว่าไม่ควรเพ่งเล็งปิดของคนอื่นนั้นพระอัจฉริยอาจารย์อธิบายไปในแง่ธรรมอย่างเดียวว่าไม่ควรแลดูคํำที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของคนเหล่าอื่นอย่างนี้ว่าอุบาสกคนน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เคยให้อาหารแม้ข้าวทัพีเดียวไม่เคยถวายจีวร อ, อุบาสิกานโน้นก็เหมือนกันพิสุโน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่ทําอุปชัยวัดอาจารยวัด อาคันตุกะวัดเป็นต้นทุดงก็ไม่มีความอุตสาหาพยายามในการภาวนาก็ไม่มีส่วนข้อว่าพึงพิจารณากิจของตอนนั้นพระอธิถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้คนละบทผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาเมื่อเราลึกถึงพระอวาสนี้ว่าบัรพชิตพึงพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ดังนี้แล้วพึงใส่ใจในจิตของตอนว่าเราอาจหรือไม่ที่จะยกจิตขึ้นสู่ไตรลัก คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทําตนให้พ้นจากกิเลส ท, ทั้งปวงพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารบอาชีวกชื่อปาติกะซึ่งด่าว่าเสศีอุบาสิกานานาประการมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องอาชีวกชื่อปาติกะอาชีวกผู้นี้คุณเคยอยู่กับสกุลหนึ่งมีสตรีแม่บ้านผู้หนึ่งอุปถัมภ์มาพุงอยู่เหมือนบุตรของตนต่อมานางได้ฟังคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้า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 อาชิวกจึงว่าไปก็ได้แต่อย่าบอกเรือนหน้าทางที่ไปคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ไปไม่ถูกพรุ่งนี้เราสองคนจะได้กินอาหารที่แม่ของเธอเตรียมไว้เธอก็ไม่มีความผิดเพราะได้ไปนิมนต์แล้วเด็กเชื่อปนิมนพระพุทธเจ้าและทําตามที่อาชีวกว่าทุกอย่างแล้วกลับมาบอกอาชีวกอีกทีหนึ่งวันรุ่งขึ้นอาชีวกไปยังเรือนของอุบาสิกานตั้งแต่เช้าพวกเพื่อนบ้านที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าได้ช่วยกัน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 เพราะพระองค์ทรงรู้ทางทั้งปวงแม้ทางไปนรกสวรรค์ยางทรงทราบจะกล่าวยายถึงทางไปบ้านนั้นในคมนี้ย่อมทรงรู้ได้โดยยานทรงรู้แจ้งแทงตลอดตั้งแต่วันที่เดตรัสรู้แล้วอาชีวกรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยไปอุบาสิกาอปาต้อนรับถวายบังคมด้วยเบญจางคะประดิษฐ์อันเชิญให้เสด็จเข้าไปภายในเรือนเมื่อพระพุทธเจ้าพระทับนั่งแล้วนางได้ถวายน้ําทักษิโนโทกน้ําทักษิโนโทกในที่นี้ น่าจะเป็นน้ํำล้างพระหัตถ์หรือบ้วนพระโอษฐ์เพื่อเตรียมเสวยในอินเดียแม้แต่ใ น, นรานน้ำชาก็เสิร์ฟน้ําให้แขกก่อนเพื่อบ้วนปากหรือล้างมือตามประสงค์คนส่วนมากแม้แต่คนชั้นสูงก็ยังนิยมบริโภคอาหารในมืออยู่แล้วถวายขาธิยะโภชินิยฐ า, ารอันประนีตเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยธรรมและพระสุรเสียงอันไพเราะอุบาสิกาฟังธรรมพังกล่าวว่าสาธุสาธุ อาชิวกนั่งอยู่ห้องหลังฟังเสียงอุบาสิกาว่าสาธุสาธุไม่อาจทนอยู่ได้เพราะความริษยาคิดว่านางไม่เป็นของเราเสียแล้วจึงด่าพระศาสดาและอุบาสิกาเป็นอันมากมีอาธิว่าอีกาลกันนีมึงเป็นคนฉิบหายมึงจงทําสการะแก่พระสมณะโคดมเถิดดังนี้แล้วหลีกไปอุบาสิการู้สึกละอายต่อคาอันหยาบคายของอาชีวกนั้นเป็นอย่างยิ่งฟุงซ่าน ไม่อาทรงกระแสจิตไปรับพระธรรมเทศนาได้พระศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงตรัสว่าไม่ควรระลึกถึงถ้อยคาเช่นนั้นของคนเช่นนั้นพึงตรวจดูกิจเฉพาะหน้าของตนดังนี้แล้วตรัสพระพพจน์ว่าณปะเรสั่งวิโรมานิเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นอุบาสิกาได้สำเร็จโสดาปติผล